คนเรานี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นเวลาจิตใจมันเบิกบานของไซการทำความดีมันก็ขยันขันแข็งเวลาจิตใจมันตกมันแก้อารมณ์ในใจตัวเองไม่ได้ ความขยนันหมั่นเพียรก็ลดลงเหมือนกับแม่น้ำไม่ได้ฝนฝนหยุดตกน้ำก็แห้งคนเราก็เช่นเดียวกันนั่นเนี่ยคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันต้องได้อาศัยบุญกุศลคุณธรมรมหล่อเลี้ยงน้ำใจ ใจนี่จึงมีกำลังเข้มแข็งในการประกอบกุศลคุณงามความดีให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเรื่องการทำความดีเนี่ยให้จะไปบังคับใครก็ไม่ได้ทุกคนมันต้องช่วยตัวเองต้องรู้ตัวเอง โดยเฉพาะผู้เป็นนักบวชเนก็แสดงว่าเป็นผู้มีบุญมากพองมวนพขาจึงได้สละกิดบ้านการเรือนสละกรร ม, มคุณทั้งหลายมาบวชก็แสดงว่าจิตใจนั่นเห็นโทษแห่งการอยู่ครองเรือนเห็นโทษแห่งกร ม, มคุณ ก็เป็นไปเพื่อความวุ่นวายไปทำให้เนิ่นช้านานพ้นทุกพ้นภัยเพราะว่าบุคคลผู้ครองเรือนนี่ส่วนมากก็ยินดีอยู่ในกรรมมคุณบางคนก็เมาไปตลอดไม่รู้สึกตัวไม่ได้ทำบุญกุศลอันใด เห็นรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสว่าเป็นสิ่งที่อำนวยความสุขให้แก่ตนถึงได้แสวงหาแต่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสนั้นจนไม่มีเวลาที่จะได้มาฝึกผลกายวาจาใจของตนให้เป็นศิลให้เป็นธรรมไม่มีเวลาที่จะได้สั่งสมบุญกุศล ให้เจริญแก่กล้าขึ้นในตนเก็เพราะมันมองเห็นแต่ความสุขในกรรมคุณเท่านั้นก็มองเห็นเท่านั้นนึงก็ติดอยู่แค่นั้นแหละทั้งนี้เพราะอะไรล่ะเก็่เพราะว่าตั้งแต่ชาติก่อนก็ติดอยู่พแรงแล้ว การทำบุญทำทานก็ทำบุญตามโอเพนีไปเฉยๆหวังว่าบุญนั้นส่งตนให้ได้เกิดเป็นคนเป็นผู้มั่งมีสีสุขมีอายุยืนยาวนานอะไรมันมุ่งหวังแต่เพียงแค่นั้นการทำบุญผู้สนของคนส่วนมากเป็นอย่างนั้น ผู้ที่บุญบา ร, รมียังอ่อนอยู่มันก็มองเห็นความสุขแต่แค่นั้นเนี่ยท่านผู้ที่เคยได้ฝึกฝนอบรนตนตนมาเคยคบหาสมาคมนักปรารในพระพุทธศาสนามานยาี้ยท่านก็จะแนะนำคุณธรรมอันสูงไปกวานั้นหรือว่าแนะนำ ให้รู้จักความสุขที่สูงกว่านั้นก็เช่นอย่างที่เรามาฝึกค้นอบรมกันอยู่ในปัจจุบันนี้แหละทุกคนก็คงเข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าดีก็จึงย้อมสละทุกสิ่งทุกอย่างมาเพื่อฝึ ก, กจิตใจนี้ให้สงบระงับจากกิเลสต่าง พ่อมองเห็นว่าเมื่อจิตนี้สงบจากที่เลยตันหาทังางๆลงไปแล้วมันมีความสุขมากมีความสุขอันสดใสไม่มัวหมองกระแตรักษาจิตใจในให้ตั้งมั่นรักษาจิตใจในให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในคุณ ไปได้เท่าไหร่ก็มีความสุขไปได้เท่านั้นเพราะว่าบุญนั้นเป็นชื่อของความสุขคุณนั้นสนับสนุนบุญถ้าเราไม่เคารพในพระพุทธเจ้าพระธรรมส่์ผู้มีพระคุณนั้นประเสริฐใครก็ไม่ทำบุญกันเลยในพุทธศาสนานี้ การที่เรามาทำบุญกันยอมสลัความสุขเ ล, เล็กๆน้อยๆ ห, หมดนั้นมาก็เพราะเราเขารกเรานับถือพระคุณทั้งสามนั้นเป็นอย่างยิ่งที่นับถือเพราะมีเหตุมีผลนับถือว่าเนื่องจากว่าเรารู้ประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้า ว่าพระองค์นั้นเป็นพระหมหากระสัตย์ผู้ยิ่งใหญ่ยังอีกเกจ็ดวันสมบัติจกักรพรรดิราชจะเกิดมีแก่พระองค์แต่พระองค์ก็ไม่ปรารถนาเนื่องจากว่าความสุขดังกล่าวมานี้พระองค์ได้สัมผัสกับมันมาพอแรงแล้วมันไม่จีรังยั่งยืน ดังนั้นพระองค์ก็จึงสละความสุขเหล่านี้ออกไปบวชนี่นะภากเรียนพยายามละกิเลสในดวงพระทัยของพระองค์ให้หมดไปสิ้นไปเพราะพระองค์มารู้ว่าการละกิเลสให้หมดไปสิ้นไปนี่เป็นความสุขอันยอดเยี่ยมพวกเราที่เป็นบริษัทของพระองค์ เมื่อได้ทราบประวัติความเป็นมาของพระ อ, องค์อย่างนี้เราก็เป็นผู้มีกิเลสคนหนึ่งกิเลสลบควรจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนดังนั้นเราจึงต้องเดินตามรอยของพระศาสดานั่นแหะพยายามละกิเลสตะหาให้มันน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจนี้ด้วยการบำเพ็ญข้อวัดปฏิบัติ ต่างๆทางกายทางวาจาทางใจพร้อมด้วยไตรถวานี้อันนี้เหละเป็นเครื่องพิสูจน์ถ้าเห็นแล้วว่าคันถ้าเราไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังใจอยู่แล้วเราไม่มีกำลังใจที่จะมาละกิเลสได้นำพังวิแตจิตเฉยเฉยเนี่ย ไม่มีบุญไม่มีคุณเป็นกําลังเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องอยู่แล้วสู้อํานาจกิเลสไม่ได้เลยไอ้ผู้ที่ไม่มีบุญมีคุณมั่นอยู่ในกิตใจนั่นแหะมันถึงสู้อํานาจกิเลสไม่ได้จึงตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาบาปประรมกรรมันชั่วต่างๆสุดแล้วแต่กิเลสอะไรมันมาจูงใจ ให้ทำอย่างไรก็ทำไปตามมันเพราะว่าตนไม่มีอิสระส่วนตัวเลยมันตกอยู่ใต้อิทธิพลของกิเลสตัณหาไปหมดอย่างนี้นะเหมือนอย่างคนทั่วไปนั่นแหละอา้าวกิเลสอันเป็นฝ่ายอากุศลมันจูงใจให้ทำบาปเชินให้ฆ่าสัตว์ใจรักทรัพย์ใจประพฤติผิดใจกาม ให้กล่าวมุสาวาทให้ดื่มสุราเมรัยกัญชายาฝิ่นเฮโรอีนต่างๆ่างหมดเนี่ยก็ทำไปตามอำนาจของตันหาประเภทนั้นนั่นแสดงว่าผู้นั้นน่ะตกอยู่ใต้ตับอำนาจของตันหาประเภทนั้นตันหานี่มันแบ่งเป็นสองประเภทนะตันหาที่เป็นฝ่ายคูศสก็มีเป็นฝ่ายอากุสลก็มี พระพุทธองค์ทรงให้อาศัยตัณหาที่เป็นฝ่ายกุศลนั้นไม่ให้อาศัยตัณหาฝ่ายอากุศลให้เข้าใจอย่างนี้อเพราะฉะนั้นตัณหานี่ถ้าเราใช้มันเป็นมันก็มีคุณประโยชน์มากมายถ้าใช้ไม่เป็นก็มีโทษอย่างมหันมันเป็นอย่างนั้น เพราะตัณหานี่มันมีอวิชชาเป็นเพื่อนในตำราท่านแสดงไว้ว่าอาวิชชานั้นเปรียบเหมือนบิดาตัณหานั้นเปรียบเหมือนมารดานำจิตวิญญาของสัตว์ทั้งหลายให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในวาตาสงสารนี้ไม่มีสิ้นสุดอย่างนี้แหละดังนั้นนะ ผู้ไม่มีบุญกุศลอันแรงกล้าเกิดขึ้นในใจิตใจจึงสู้อำนาจแห่งอวิชชาตัญหาไม่ได้ให้เข้าใจกันดังนั้นแหละข้อปฏิบัติในพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงแนะนำสั่งสอนให้พุทธบริษัทฝึกหัดกายวาจาใจของตนให้ดีพร้อม เบือขาดกายรู้จักกราบรู้จักไหว้กราบก็อ่อนน้อมจริงๆนอกจากการกราบการไหว้แล้วก็รู้จักทากิจที่ควรทำที่เป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นรู้จักทาการทำงานเช่นอย่างเป็นครืงหัดขยันในการงานอันชอบได้เงินได้ทองเข้าของมาแล้ว ก็เอื้อเฟื้อแกเลี้ยงตัวเลี้ยงมารดาบิดาให้เป็นสุขแล้วก็เอื้อเฟื้อคือคุนแก่ผู้อื่นบ้างนี่บางคนนะ่ะจะฝึกกายของตนให้เป็นคนเกียดคร้านในการกระทำความดีแล้วฝึกกายนี้ให้ขยันไปทำความชั่ว ขยันในการฆ่าสัตว์ขยันในการไปรักทรัพย์ไปข้อไปโกงเอาของขู่เราเป็นของตนขยันในการไปประพฤติเพิินในกรรมมคุณประพฤติผิดมิตรฉาจา์กรรมทาชู้กับสามีหรือภรรยาคนอื่นขยันกล่าวว่าจาบอันในเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ พูดเท็จพูดซอเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจอนี่พูดเก้งแต่ถ้าพูดในทางที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนันพูดไม่เป็นอ่ามันเป็นอย่างนั้นคนเรานี่นะรยันชอบดื่มของมึนเมาต่างๆสุรากัญชายาผิ่นเฮโรอีนอะไรพวกนี้นะชอบนักชอบหนา คนส่วนมากมักจะขยันใช้แต่กายไปทำความชั่วดังกล่าวมานี่เพราะฉะนั้นแหละมันถึงได้ประสบผลอันเป็นอันไม่เป็นที่น่าพอใจคือความทุกข์เกิดมาชาติใดพบใดก็ดีมีแต่ความยากจกนคนแค้นมีร่างกายก็อดแอดไม่สมบูรณ์ทำการ ง, งานอะไรก็ไม่ค่อยได้ อย่างนี้มีอยู่ทมไปนั่นแหละเดียกวกรรมชั่วมันอำนวยผลให้ผู้ที่มีกำลังร่างกายแข็งแรงดีทำการงานอะไรก็ได้ดีเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นได้เวยนจากกรรมชั่วทั้งหลายดังกล่าวมานั้น นั่นแสดงว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่รู้จักใช้กายของตนให้เป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นใช้วาจาคาพูดของตนก็ให้มันเป็นประโยชน์สิ่งใดไม่เป็นประโยชน์เราไม่พูดอย่างนี้จึงเรียกว่าเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้มีปัญญา รู้จักฝึกกายวาจาใจของตนให้ดีตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นนี้มันก็เป็นการสะสมบุญคุณให้แก่กล้าขึ้นไปเรื่อยๆอการที่บุคคลไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและตัดอื่นนันนะ แสดงว่าเป็นผู้มีเมตตาธรรมอยู่ในใจมีกรุณาธรรมอยู่ในใจถ้าผู้ใดขาดเมตตาธรรมกรุณาธรรมนี้แล้วมันจะเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายไม่ได้เลยมันจะเบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายเป็นอาจินอยู่อย่างนั้นนี่คุณธรรมนะ ให้พึ่งพาการสร้างคุณธรรมเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจถ้าหวังอยากจะพ้นทุกข์พ้นภัยพ้นเวรทั้งหลายในสงสารอันนี้นะถ้าผูใ้ใดชอบกับความทุกข์ความยากลาบากก็ทำไปไม่มีใครว่าอะไรหรอกแต่ถ้าต้องการความสุขแล้วหากไม่เว้นกรรมชั่วเหล่านี้แล้วไม่มีทางที่จะได้รับความสุข ไม่มีเลยเพราะฉะนั้นอ่ะขอให้พากันเข้าใจความหมายแห่งคําสอนของพระเจ้าอันพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ทรงมีพระเมตตากรุณาต่อสัตว์โลกทั้งหลายเมื่อพระองค์ช่วยพระองค์ให้พ้นทุกข์ได้แล้วพระองค์ก็ทรงสงสาร สัตว์โลกทั้งหลายผู้ที่ยังไม่พ้นจากทุกข์ก็จงอุตสาเสด็จไปตามบ้านน้อยเมืองใหญ่ใครมาเฝ้าก็ทงรงแสดงรมแนะนำสั่งสอนผู้มีบุญวาสนาบา ร, รมีที่ได้ทำมาแต่ก่อนก็สามารถรู้แจ้งในคำสอนของพระเจ้าได้จนได้ถึงก็ได้บรรลุมรรคผลธรรมวิเศษ ตามพระองค์ไปก็มีอยู่มากมายเพระว่าคนเหล่านั้นได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้ามาโดยลำดับชาติํำดับภพบเมื่อเมื่อคนเหล่านั้นได้ให้ทานมาอย่างนี้มันก็ทำเป็นเหตุให้ความโลภเนี่มันเบาบางลงไป มันก็ไม่ได้ไปแย่งสิ่งอสมบัติของอื่นมาเป็นของตอนอย่างนี้